มีใครอยากจะถามอะไรไหมที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อเข้าหาวิธีหาความสุขอกีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เป็นความสุขที่ถาวร ถ้ารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาก็จะสามารถสร้างมันรักษามันให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลาความสุขที่ในที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ตามมาพอเวลาที่ความสุขที่เรามีอยู่หายไปหมดไป ความทุกข์ก็จะตามมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะต่อไปจะไม่สามารถที่จะรักษาความสุขที่เราหามาได้หรือไม่สามารถหาความสุข ไ, ได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่คือร่างกายมันก็จะอ่อนกำลังไปเรื่อยๆ ต่อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขอย่างที่เราหากันได้อยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าส่งค้นพบวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขจากการใช้ธรรมะควบคุมใจให้ใจผลิตความสุขใจตอนนี้ มักจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาเพระความหลงคิดว่าการทําตามความอยากต่างๆจะได้มีความสุขแต่เวลาอยากแล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเวลาได้มาแล้วเวลาเสียไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากการละความอยากหยุดความอยากพระองค์ก็ส่งให้เครื่องไม้เครื่องมือมาให้สติมาใช้กับการหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากถ้ามีสติก็จะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้ แต่ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้ถ้าต้องการทำลายความอยากให้หมดไปอย่างทา้าวรขั้นต่อไปหลังจากที่มีสติแล้วก็คือต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์การกระทาตามความอยากว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรผลดีก็มี แต่ผลเสียมันมีมากกว่าเพราะการทำตามความอยากจะทำให้ติดจะต้องทำอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ทำก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วสิ่งที่ได้มาจากความอยากมันก็ต้องจากเราไปเวลาจากไปก็เสียใจหรือถ้าไม่เสียใจก็ต้องไปหามาหามาทดแทน เป็นของที่เราดื่มของที่เรารับประทานดื่มเสร็จรับประทานเสร็จมันก็หมดไปถ้าอยากจะดื่มอีกอยากจะรับประทานอีกก็ต้องไปหามาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรไม่มีก็ไม่ทุกข์ใจอันนี้เป็น คุณกะโทษของการมีความอยากและการไม่มีความอยากไม่มีความอยากแล้วก็สบายคนที่ไม่อยากดื่มกาแฟก็ไม่ต้องไปขอหากาแฟมาดืม่มคนที่ไม่ดื่มสุราก็ไม่ต้องไปหาสุรามาดืม่มคนที่ไม่ใช้เงินก็ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้เพราะการหานี่มันไม่ใช่เป็นของที่จะทํากันง่ายๆ เพรของทุกอย่างในโลกนี้เขามีราคามีเจ้าของอยากจะได้ของจากเขาก็ต้องอมีของแลกเปลี่ยนเขาถึงจะให้เรามาถ้าเราไม่มีของแลกเปลี่ยนเขาก็ไม่ให้เรามาเป็นการหาความสุขที่วุ่นวายที่ยุ่งยากลาบากปวดหัวเครียดกันอย่าง คือ ก, กันกับหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แน่นอนไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็กลายเป็นความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าบอกว่ามาหาความสุขจากการไม่มีความอยากดีกว่า เวลาไม่มีความอยากใจสบายไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาผลักดันไม่มีอะไรมาสั่งความอยากนี้เป็นเหมือนเจ้านายเวลาเกิดความอยากแล้วต้องไปทําตามความอยากความอยากจะสั่งเอากาแฟมาถ้วยสิเอาเบียร์มาขวดสิไป เที่ยวที่นั่นกันหน่อยิไปเที่ยวที่นี่หน่อยสิไปซื้อนูน่นซื้อนี่กันหน่อยพอสั่งแล้วก็ต้องไปทำตามคำสั่งถ้าไม่มีสิ่งรองรับคำสั่งก็ต้องไปหาไม่มีเงินอ่ะไปหาเงินมาถ้าหาเงินไม่เป็นก็ไปขมโมยมาขมโมยถ้าถูกตารวจจับก็ติดคุกไป ผลของการทําตามคำสั่งถ้าไม่มีใครมาสั่งก็อยู่เฉยๆสบายไม่ต้องไปขโมยเงนินไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเนี่ยคนที่ไปติดคุกติดตารางนี่เพราะไปทําตามคําสั่งนั้นนหละถึกสั่งให้ไปหาหนูน่นหานี่ไปเอานูน่นเอานี่มา อ่าไม่สามารถเอามาโดยวิธีถูกกฎหมายถูกศีลธรรมได้ก็ต้องเอาแบบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอมเพราะความอยากมันไม่มันไม่หยุดมันสั่งอยู่เรื่อยๆต้องเอามาให้ได้ต้องเอามาทางใดทางหนึ่งไม่โดยเล่เพศทุบายอะไรต่างๆก็ต้องเอากันผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้าง ทุกวั น, นี้การกระทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนี่เต็มไปหมดถ้าไปติดต่อเขาทางราชการนี่ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่นนมันไม่ไหลนะมันต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเรื่องมันถึงจะไหลถึงจะถ้าไม่มีน้ำมันก็จอดติดแก๊กอยู่นั่น นั่งรอไปทั้งวันนะเขาไม่สนหรอกรอก็รอไปหมดเวลาเขาก็กลับบ้านไม่ได้วันนี้ก็ต้องกลับมาพรุ่งนี้รอไปเถิดถ้าเขาไม่ทำให้จะไปทำอะไรเขาแต่ถ้ามีน้ำมันหยดหยดสองสามหยดนี่มันไหลลื่นไปเลย เรื่องราวที่ต้องการให้ทํานี่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเสร็จแล้วเออันนี้ก็เลืทุจริตไหมผิดศีลไหมผิดกฎหมายไหมแต่ทําไมทํากันได้เพราะไม่มีใครมาป่าไม่มีใครมาปรางเพราะพวกป่าพวกปรางเขาก็ทําอย่างนี้กัน ทำให้การทำผิดกฎหมายทำทาบาปนี่ทำผิดศีลธรรมนี้ง่ายดายมากและทำกันมากเพราะว่าความอยากมันมากแต่ก็ได้มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นได้มาก็ใช้ไปใช้ไปก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่ทำผิดกฎหมายใหม่ทำผิดศีลธรรมใหม่ เดี๋ยวันดีขึ้นดีไปทำข้อที่มันหนักๆ เ, เขาเขาอ่าก็เอาหูไปนาะเาตาไปไล่ไม่ได้ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะความอยากสั่งให้ไปทำถ้าไม่มีความอยากแล้วใครจะมาสั่งให้เราไปทำบาปได้ที่ไหนสั่งให้เราไปทำผิดกฎหมายได้ที่ไหน เพราะเราอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้พอความอยากเกิดขึด้นหงุดหงิดลำคาญใจต้องหาวิธีระบายวิธีระบายความหงุดหงิดลำคาญใจก็ไปทําตามคำสั่งพอได้ดื่มกาแฟสักถ้วยหาใหงุดหง ทำงานทำการได้เป็นปกติพอได้ดื่มเบียร์สักขวดได้สูบรี่สักมนโล่งใจเบาใจสบายใจแล้วเดี๋ยวพออยากใหม่ค่อยว่ากันใหม่แล้วสักพักก็อยากกันใหม่อาจจะอยากอย่างอื่นก็ได้เพราะมันมันต้องมีหลากหลาย ได้รูปเสียงได้รูปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาเสียงเดี๋ยวก็อยากเสียงอยากได้กินอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสก็เรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยได้กินแล้วก็ได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็ต้องได้ดูได้ดูแล้วก็ต้องได้ฟังได้ฟังแล้วก็ต้องได้สัมผัสอันนี้ก็เป็นความอยากที่ทําให้มนุษย์เรานี่ อยู่ไม่เป็นสุขกันแล้วได้มาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมได้แล้วก็ก็ต้องหาใหม่อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนเดิมได้มาเท่าไหร่ก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนเดิมเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการที่เราได้ทําตามความอยากมันกลับจะทําให้ความอยากมีกําลังมากขึ้นพิสดารขึ้น ตอนต้นก็อยากแบบเรียบๆง่ายๆต่อไปก็ต้องพิสดารต้องต้องเป็นของแปลกของพิเศษเนี่ยมันไม่มันไม่มันมันไม่สนุกอันนี้ของผลิตของกินนี่โอยมีผลิตของแปลกๆของใหม่ๆ ม, ม, มาให้กินอยู่เรื่อย มนุษย์ช่างคิดเรื่องเรื่องของกินนี่มนาะคิดกันพเด ก, กันออกมาไอเห็นแล้วน้ำลายไหลกินก็ใบกากลายเป็นตุ่มกันไปหมดเป็นตุ่มเต็มบ้านเต็มเมืองอยนะ่างเงี้ยสมัยก่อนฮนะคนที่เป็นตุ่มไม่ก็ได้เพรสมัยสมัยเด็กๆนี่นมัน ข้าวยากหมากแพงของหายากของกินของใช้ไม่มีไม่มีบริษัทไม่มีโรงงานมาผลิตอยู่กับธรรมชาติไม่ค่อยมีอะไรธรรมชาติไม่ได้ทําให้คนเป็นตุ่แต่ของที่มนุษย์เราผลิตขึ้นมาเนี่ยทําให้คนเป็นตุ่เพราะมันผลิตที่ได้จ ำ, จำเป็นจํานวนมากๆขนมนมเลยเนี่ ของมันๆนี่หวานๆนี่ตัวที่ทำให้เป็นตุ่มกันเนี่ยพอผลิตโรงงานน้าตาลได้ไปแล้วเห็นไหมผ้ิโรงงานน้าตาลผลิตลงลงแป้งน้ํา้ตาลแป้งเนี่ยเป็นพื้นฐานของขนมนมเนยทั้งหลายน้าตาลแป้งนมเนยมาแล้วก็ผสมกันกินกันกินน้ำมันๆต้อง ทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มกินน้ำไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกินได้ทั้งวนันทั้งคืนเวลาไม่ได้กินก็ท ร, รมานก็ต้องกินหมอบอกว่าหยุดกินได้แล้วก็หยุดไม่ได้ยอมตายดีกว่ายอมอดตายเพราะโลกกินมากเกินไปเนี่ยเยอะ อนี้ไม่ได้อดตายเพราะขาดอาหารอ่นี้ตายเพราะกินมากเกินไปโดนเบาหวานโดนความดันโดนไขมันอุดตันเนี่ยฆ่าเพราะความอยากันะถ้าไม่ควบความอยากมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมันจะกินมากขึ้นไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าถึงสอนว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยนี่จะปราบความโลภได้สันโดษก็จะปราบความอยากได้สันโดษก็ใ <promotions> ห้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากได้นู่นได้นี่มีอะไรก็พอใจกับสิ่งที่มีหาอะไรมาได้ก็พอใจกับสิ่งที่หามาได้หามาโดยวิธีที่ไม่เป็นโทษ เป็นโทษก็คือหามาโดยวิธีทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมบางทีมันผิดทั้งสองอย่างพร้อมกันผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมกฎหมายก็มาตามลงโทษศีลธรรมก็ตามลงโทษที่หลังตายไปแล้วขณะปัจจุบันก็ลงโทษด้วยความไม่สบายใจทำบาปทำผิดกฎหมายแล้วก็ใจก็จะ มีแผลเป็นเหมือนวัว ส, สังนังวะเวลาเห็นเ จ, จ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาหาก็คิดว่าเขาจะมาจับเราเวลนะาไปโกหกแฟนเดียวพอแฟนพูดอะไรขึ้นมาส ก, กิดเรื่องที่โกหกหน่อยเอ๊ะเขารู้หรือเปล่านะมไม่สบายใจนะนี่คือ โทษของการทำบาปมันเป็นเหมือนกับเคามีเอาอะไรไปสะกิดแผลในใจบาปนี้ทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นมาพอมีอะไรมาสะกิดหน่อยมันก็เจ็บมันปวดขึ้นมาคนที่ไม่ทำบาปก็จะไม่มีแผลเอาอะไรไปสะกิดก็ไม่เจ็บ บาปก็เกิดจากความอยากเมื่อไม่สามารถหามาโดยวิธีไม่ทําบาปได้ก็ต้องเอาวิธีทําบาปเมืม่อความองุดกิดความลาคาญมันไม่หายไปจากใจตราบใดที่ความอยากมันยังทํางานอยู่ก็เหมือนกับที่กองไฟที่ยังมีฟืนอยู่ยมีเชื้ออยู่มันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆแล้วการไปทาตามความอยากนี่ก็เหมือนกับไปเอาน้ํามันมาล่า ไม่ได้อน้ำมาลาดกองไฟเอาน้ํามันมาลาดเวลาเทน้ํามันไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนมันก็ไฟมันก็จะทําท่าจะดับเพราะน้ํามันยังไม่มียังไม่ร้อนยังไม่ติดตอนนั้นก็คิดว่าไฟดับแต่พอเพอปั๊บโอมันลุกขึ้นใหญ่กว่าเดิมการทําความต่างความอยากเวลาได้ ทำตามความอยากความทุกข์ก็หายไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ขึ้นมาแรงกว่าเก่านะหนักกว่าเก่านะตอนตอนก็อยากได้เล็กได้น้อยได้เท่าสิบยี่สิบก็ดีใจต่อไปพอใช้สิบยี่สิบหมดแล้วไม่พอใช้แล้วต้องเอาที่1ร้อยสองร้อย จากร้อยสองร้อยก็เป็นพันสองพันมันขยับขยายตัวไปเรื่อยๆมันมีความชำนาญมีความเก่งในการหามากขึ้นฉลาดมากขึ้นรู้จักวิธีโกงไม่ได้มากขึ้นก็หามากขึ้นไปเรื่อยๆโทษก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆความเครียดใจก็มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีความสุข มันก็อยู่มันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเพราะอยู่เฉยๆยิ่งเครียดใหญ่นะยอมยอมทุกกับการไปทําบาปด้วยาเพื่อทําให้ความเครียดความเงือนกิจําคาญใจมันหายไปแต่เดี๋ยวพอทําบาปมากๆ ก, ก็ผลบาปมันก็จะแรงกว่าความเงือนกิจําคาญใจนะอันนั้นก็สายไปแล้ว ไปติดคุกติดตารางนี่คืออำนาจของการทําตามความอยากวิธีหาความสุขของพวกเรานี้เป็นวิธีหาหาด้วยความอยากต้องต้องมีความอยากก่อนแล้วถึงห า, อย า, หหางอยากได้นู่่นไปอยากได้นี่อยากดูอยากฟังไปถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็หมดหงิ ไม่สบายใจรำคาญใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องสกัดความอยากต้องฝืนความอยากยอมเครียดยอมหดหดสู้กับมันเดี๋ยวพอมันแรงมันหมดเหมือนเชื้อเพลิงพอเชื้อเพลิงมันหมดไฟก็ดับเองพอความอยาก แล้วไม่ได้ทําตามความอยากมันอ่อนกําลังลงความหงุดหงิดมันก็เบาลงแล้วก็หายไปไม่เชื่อลองทําดูเนี่ยลองอยากกินกาแฟเนี่ยลองเลิกกินดูลองสู้กับมันดูอห้มันหงุดหงิดไปมึงยังหงุดหงิดไปถ้าไหนก็หงุดหงิดไปมันก็เหมือนไฟมันก็ต้องไหม้ตราบใดที่ยังไม่เชื่ออยู่มันก็ต้องไหม้ไปเดี๋ยวความอยากมันหมดมันความไฟมันก็หมดไปเอง ความอยากมันจะหมดไปได้ก็ตอ่อเมื่อเราไม่ตอบสนองเหมันถ้าตอบสนองแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญเ ต, ติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ตอบสนองมันมันก็จะหดตัวลงไปลดลงไปเบาลงไปเดี๋ยวก็หมดเองจึงนะนําวิธีให้ ลองนั่งเฉยๆสักห้าหกชั่วโมงเดี๋ไม่ต้องไปทํามันอยาอยากจะทําอะไรก็ไม่ต้องไปทํานั่งเฉยๆสู้กับความอยากไปอนุญาตถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ให้ดื่มน้ำเอาน้ําเปล่ามาตั้งไว้ดื่มน้ําเปล่าให้กับร่างกายนี้ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากไม่เป็นไรในเวลาจะถ่ายน้ําออกจากร่างกายก็ไปถ่ายอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายด้วยความอยาก อะไรอย่างอื่นอย่าไปทำอยากจะลุกขึ้นยืนอยากจะเดินไปัง้งนู้นอยากจะอยากทั้งนั้นนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆทำไมดี่าตายไปคนอยู่เฉยคนต้องไปแบกข้าวสารไปทำงานไปขับรถนี้อันไหนมันจะสบายกว่ากันแต่คนเราชอบกับชอบความทุกข์กันความสบายกับไม่ชอบกันชอบไปทำงานกันําเคร่งกับขำเคร่งํา เ, เครียดกับการทางานกัน ถ้าอยู่เฉยๆนี้กับอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นสุขจะตายไปเพราะความอยากมันดันมันกดมันสร้างความเครียดสร้างความหงุดหงิดลำคาญใจถ้าอยากจะสู้กับความอยากนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้สติคอยควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงถ้ามันหยุดคิด ความอยากก็นิ่งหายไปแค่จิตสงบเต็มที่ความอยากก็หายไปใจก็จะเบาขึ้นมาสุขขึ้นมาเนี่ยอุบายวิธีให้ต่อสู้ให้พัฒนาการนั่งเฉยๆแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรสบายจะตายไปเงินก็ไม่เสียสักบาทนั่งเฉยๆทใไมกลับไปชอบเสียเงินกัน ต้องออกไปเสียเงินแนละ้วถึงจะมีความสุขกันนะแต่ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านถ้าพักก็อยากจะออกใหม่อนะต่เดี๋ยวเงินหมดก็ต้องไปหาเงินกันอี่างนีนี่ปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เองอย่าไปใช้เงินด้วยไม่มีเงินใช้ก็อย่าไปใช้มันมจาเป็นจะต้องใช้เลย ใช่กับของจะเป็นมันก็ไม่กี่ตังค่าวันละมือละกี่บาทกินวันละมือก็อยู่ได้แล้วร่างกายจะได้หาจากการเป็นตุ่มไปด้วยสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันทำให้ทรมานใจถ้าให้สู้ก็ต้องเป็นท่ากองมันไปอย่างนี้ไปได้เรื่อยตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ไม่มีวันสิ้นสุด ทุกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกกับความอยากไปเรื่อยๆหนุหงิดกับความอยากไปเรื่อยๆถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วสบายเอวังก็มีด้วยประกาลาัคนีทีพระเทนเอวังก็พอให้อยู่เฉยๆให้หยุดวยความอยากเอวังก็มีด้วยประกาลาัคนีถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วก็สุขโต ไปสู่สุคติไปสู่นิพพานนิพพานคือสุขโตนี่แหละคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพอคนเอาไปใช้ปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เนี่ย ไปสุคติกันไปนิพพานกันเป็นจำนวนมากเลยพระอารามตาสาวกนี่เพียงชั่วเจ็ดเดือนแรกนี่มีตั้งหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบองค์แล้วก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายกลับหลายกันไม่มีแม้แต่องค์เดียวเพราะไม่มีใครบอกวิธีให้เป็นว่าเป็นอย่างไรพอพระพุทธเจ้ามาแสดงอริยสัจสี่ปั๊บนี่อเอความอยากนี่เอง หยุดความอยากได้ทาใจให้สงบฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเห็นโทษของความอยากก็จะทำลายความอยากได้หมดถ้าเราเห็นความอยากว่าเป็นยาพิษเราจะกล้ากินมันไหมเราไม่เห็นความอยากว่าเป็นยาพิษเราแค่เห็นว่าเป็นขนมหวานพออยากว่าทาตามมันเลย มันสั่งให้ทำอะไรทำตามมันเลยแล้วเป็นไงชีวิตของเราวุ่นวายหรือสงบที่วุ่นวายกันทั้งวันนี้ก็วุ่นวายด้วยความอยากนี่แหละไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องอะไรหรอ ก, อ ย, กอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยากตลอดเวลาวันวันหนึ่งนี้ไม่รู้อยากกี่เรื่องกี่ดาวอยากอยู่เรื่อยๆ พอไม่ได้ได้ตังใจอยากก็เครียดหงุดหงิดนำคาญใจขึ้นมาอ่านี่คือพระพุทธเจ้าของเรานา น, นานจะได้เจอคนอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งที่จะมาบอกพวกเราว่าปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากของพวกเราเราต้องใช้สติสมาธิปัญญา ถ้ามีสามตัวนี้แล้วความอยากจะสู้ไม่ได้เนี่ยความอยากเขาเรียกว่าอาธรรมธรรมก็คือสติสมาธิปัญญาที่เขาพูดว่าธรรมย่อมชนะอาธรรมนี้ก็ไม่ได้ไหมายถึงคนดีจะชนะคนชั่วหรอกสมัยนี้คนดีแพ้คนชื่วทั้งนั้นแหละใช่ไหมคนชั่วมันมีอาวุธมันมันทำได้ทุกรูปแบบคนดีทําไม่ได้คนดีจะไปชนะคนชั่วได้อย่างไง อันนี้ไม่ได้ชนะแบบนั้นธรรมก็คือเนี่ยสติสมาธิปัญญาเอามาใช้กับอธรรมคือคู่ต่อสู้ของธรรมก็คือปัญหาน่ความอยากความอยากนี้มันกลัวสติกลัวสมาธิกลัวปัญญามากถ้าใครมีสามตัวนี้แล้วความอยากหายหมดเลยไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลย นี่และพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างแค่สามตัวนี้ส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวสนับสนุนให้มาสร้างตัวศีลตัวทานนี้ก็ให้เป็นตัวสนับสนุนเพราะตัวทานก็เหมือนสมอเรือจะเอาเรือออกเดินวิ่งได้ก็ต้องถอนสมอก่อนถ้าไม่ถอนสมอยังไม่ติดกับเรื่องหาเงินหาทองเรื่องใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญา ไม่มีเวลามารักษาศีนแนบบอสุดไดต้ต้องรักษาศีนแนบบอสุดจะได้ใจจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่มีปัญหากับใครแั้นเดี๋ยวต้องไปแก้ปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลกันก็จะไม่มีเวลามาจะปิกวิเวกันทานศีลมีไว้เพื่อให้เราเปิดช่องทางให้เราได้มาปีกวิเวกมาเจริญธรรมะกันเพื่อจะได้เอาชนะอธรรมที่มีอยู่ในใจ ตอนนี้อาธรรมมันคลองใจเราอยู่เราต้องเอาธรรมะมาทำลายมันตอนนี้เราไม่มีธรรมะกันสติไม่ค่อยมีเลยเผลออยู่เรื่อยๆใจลอยอยู่เรื่อยๆคิดเรืยเปรยไปเรื่อยๆอยากไปเรื่อยๆ ส, สมาธิจิตไม่เคยรู้ว่าไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นเลยเป็นเหมือน ปุ๋ยนู่นปิวไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรมากระทบหน่อยก็ไปแล้วหวั่นไหวแล้วคิดถึงความเสื่อมหน่อยก็หวั่นไหวกันแล้วคิดถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านก็หวั่นไหวกันแล้วคิดถึง เ, เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็หวั่นไหวกันล เพราะใจไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วใจจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีความรักความชังความกลัวความโหนง่งเฉยๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยมันจะเฉยเฉพาะเวลาที่มันปิดทวารทั้งห้าไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆ สมาธินี้จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆจะเข้าไปรวมอยู่ข้างในไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมันเลยเฉยได้เป็นอุเบกขาได้แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มรับรู้อุเบกขาเริ่มแตกแล้วพอเห็นอะไรของอะไรที่เคยรักก็จะรักขึ้นมาเห็นอะไรเคยชังก็จะชังขึ้นมาตอนนั้นต้องใช้ปัญญามาสกัดไม่ให้รักให้ชัง สอนใจว่าความรักไม่ดีความชังไม่ดีเพราะทำให้ใจหวั่นไหวทำให้ใจไม่ตั้งมั่นทำให้ใจไม่นิ่งทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่สุขความรักความชามังความกลัวความหลงนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสงบความสุขของใจอย่าไปรักอะไรอย่าไปชังอะไรให้รู้เฉย แต่รู้ว่าจะไม่รักได้ต้งรู้ว่ามันไม่เที่ยงรักกันลแล้วเดี๋ยวเสียไปก็จะเสียใจเอเห็นว่าไม่เที่ยงไม่รักดีกว่าเห็นอะไรช่างก็บอกว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้จะเจอเขาไม่เจอเขานี่ห้ามไม่ได้เวลาจะเจอก็ทําใจเฉยๆไว่อยากก็อยากให้เขาหายแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เจอของที่เราช่างก็ต้องทําใจเฉยๆไว้ ห้าไม่ได้เป็นวิบากของเราถ้ามาเกิดในโลกนี้มันจะต้องเจอของที่เราไม่ชอบในวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาก็คือเฉยๆนะอย่าไปยุ่งกับเขา mm hmm. เวลาเจอความกลัวก็พิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตาย mm hmm. ไม่มีใครไม่ตายมันก็หายกลัว เวลาหลงก็ต้องศึกษาว่ากำลังหลงกับเรื่องอะไรหลงว่าเป็นของเราก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาตัวเปล่าๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆใจเป็นใจผู้มานี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีวัตไม่มีอะไรติดตัวมามาได้ร่างกายมาได้สมบัติต่างๆก็เดี๋ยว พอร่างกายตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายก็เอาไปไม่ได้คือใช้ปัญญามาสกัดใช้อ น, นิจังทุกครั้งอนัตตารักก็ทุกนะเวลารักก็ทุกเวลาชังก็ทุกเวลากลัวก็ทุกเวลาหลงก็ทุกให้คิดอย่างนี้จะได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่อยากจะทุก วิธีไม่ทุกข์ก็เฉยๆท่านนี่เองอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงอย่าไปคิดว่าเป็นของเราความหลงทำให้เราคิดว่าเป็นของเราความกลัวก็ความความอยากจะอยู่อยากไม่ให้อะไรจากเราไปแต่ไม่ช้า ก, ก็เร็วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไป นี่คือธรรมะที่พวกเราต้องสร้างกันขึ้นมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วรับรองได้ว่าความอยากจะไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาก็จะถูกตัดทันทีอยากกาแฟก็ทุกเนอห็นว่าทุกอยากจะดื่มยาพิษเนืดืม่มยืมยาพิษมันยังไม่ทุกถ้าก็ดื่มกาแฟ ดื่มยาพิษมันก็แป๊บเดียวตายมันก็จบแล้วม้วนเดียวจบ ก, กินแก้วเดียวก็จบแล้วทุกทุกแบบยาพิษนี่ทุกตป๊บเดียวกินแล้วก็ตายแล้วก็จบนะแต่ทุกแบบกาแฟานี่มันยาวเป็นหนังเป็นปีเลยทุ ก, กมันอยู่เรื่อยๆทุกทุกเช้าทุกเวลาพอยาวกวก็ทุกแล้ว ความอยากดื่มยาพิษนี่มันไม่ไมไมร้ายกาจเท่ากับความอยากดื่มกาแฟอยากดื่มสุดา อ, อันนั้นมันแบบค่าผ่อนสงใช่ไหเชือดเฉือนเทนนิดเพียหน่อยวันนิด ว, นนวันหน่อยวันนึงก็มีดมาเฉือนหน่อยทุกครั้งที่อยากก็โดนมีดเฉือนทีนแล้วดื่มยาพิษนี่ก่อเข้าไปในปากเพงเดียวจบเลยกินแล้วตายแล้วก็จบเลย จะให้มองเห็นว่าการทำต่างความอยากเหมือนกับการเอายาพิษมาใส่ใส่ใจทําให้ใจเจ้าทรมานต้องกลับมาเกิดเกิดนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วนะก็พบความอยากนี้ทําให้มันเกิดกเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็พัดพากจากกันร้องห่มร้องไห้กันใช่ไหม โธ อ, อย่าไปเลยอย่าไปเลยทําไมต้องไปด้วยโธ่เกิดมาทุกคนต้องไปถ้งนั้นมีใครไม่ไปบ้างเวลาไปนี่ร้องไห้ฟูมไฟโอโทษคนนั้นโทษคน น, นี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้โทษเพราะความความความเกิดเลยไม่ได้โทษเพราะความอยากเลย นี่ยถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มาเกิดแล้วใชมไถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมีไม่ได้ไม่ต้องมีตายแล้วของที่ควรจะโทษกับไม่ไปโทษไปโทษของที่มันเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบเลยตัวที่ตัวผิดร้กาศก็คือตัวความอยากนี่อยากมันเลยทาให้ต้องมาเกิดพอเกิดแล้วมันก็ต้องตา ย, ยอยู่แค่นี้แหละเรื่องสั้น เราต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นข้อศึกษัตูนะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของเราคือความอยากศัตรูของเราหมายเลขหนึ่งคือความอยากและผู้ที่จะมาทำลายความอยากได้ก็คือธรรมธรรมของพุทธเจ้าถ้ายังหาเงินใช้เงินอยู่ก็ยุติได้แล้วหาได้ให้หาเฉพาะ หาหาหาปัจจัยสนีะ่พอแล้วอย่าหามากกว่านั้นหาปัจจัยสี่นี่จาเป็นต้องมีแต่อย่าไปหาอย่างอื่นนอย่าไปหาปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยห้าก็มือถืออะไรนไปไหนไม่มีครับ ข, ขอยืมใช้เขาสบายมีเงินทุกคนปัจจัยห้าปัจจัยหรถยนต์เนี่ยมัน อตอบสนองความอยากทั้งนั้นะของพวกนี้ใช่ไหมมีมือถือก็อยากดูอยากฟังอะไรก็อยากคุยอยากติดต่อกับใครก็สบายสะดวกมีรถอยากจะไปไหนก็สะดวกเครื่องมือตอบสนองความอยากไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองกับความจําเป็นของชีวิตเลยก็ถ้ามันจําเป็นสมัยคนสมัยก่อนก็ไม่มีรถก็ไม่มีถือก็อยู่กันได้ไง ปูยาตายายของเราสมัยก่อนก็มีที่ไหนเขาไปไหนมาไหนก็เดินเงินไปบ้างขึ้นรถเมล์ลงเรือเม ล, เล์งเรือพายเรือกันไปเขาก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรต้องมากำจัดความอยากกันถ้าอย่างหางเงินอยู่ก็หาเฉพาะปัจจัยสี่ ถ้ามีพอแล้วก็หยุดถ้ามีสำรองเก็บไว้อยู่ได้หลายปีก็หยุดได้แล้วเอาเวลาม า, ามารักษาศีลให้บริสุทธิ์จะได้ไม่มีปัญหากับใครแล้วก็มาปีกวิเวกเดินจงกรมนั่งสมาธิจเรินสติมีสติเวลานั่งจิตก็จะเป็นสมาธิคำว่าสมาธิก็นิ่งตั้งมั่นสักแต่วารู้อันนี้เรียกว่าสมาธิ สมาธิเป็นผลที่เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิปัจจุบันเราใช้คำว่าสมาธิแทนสติกันเวลาที่เราอ่านหนังสือล้วอ่านไม่รู้เรื่องเราบอกว่าไม่มีสมาธิในการนะอ่านหนังสือเลยจริงๆไม่ใช่สมาธิไม่มีสติอยู่กับการอ่านหนังสือใจไม่จดจ่อยอยู่กับการอ่านหนังสือก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องทางานไม่รู้เรื่องเพราะกังวลกับปัญหาอย่างอื่น ปัญหาที่บ้านปัญหาลูกปัญหาครอบครัวเวลาทำงานก็ทำไม่ล้เลื่องเพราะมันมีปัญหามาคอยลุมเล้าจิตใจอยู่ทำงานก็เลยทำผิดผิ ด, ผดถูกถูกไปเเรียกว่าไม่ ม, มีเขาเรียกภาษาเข า, เขาใช้คาว่าสมาธิกันไม่มีสมาธิในการทำงานไม่มีสมาธิในการ อ, าอ่านหนังสือเขียนหนังสือ คำจริงไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ถูกต้องใช้คำว่าสติไม่มีสติอยู่วการอ่านหนังสือไม่มีสติอยู่การทํางานใจล่องลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ทํางานไปแต่ใจไม่รู้ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าไม่มีสติคําว่าสมาธินี้จิตต้องนิ่งสงบร่างกายต้องนิ่งทุกอย่างนิ่งหมดไม่มีการเคลื่อนไหวจิตไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่ง ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังอันนี้เรียกว่าสมาธิเนี่ยทีนคานิกะสมาธิอปานาสมาธิแล้วก็อุปจารสมาธิก็จิตที่รวมแล้วไปรับรู้เรื่องต่างๆในโอกเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องข้างนอกเรื่องภายในจิตเรื่องเรื่องโลกทิพย์เนี่ยจิตนี้เป็นเป็น เป็นผู้อยู่ในโลกทิศโลกที่ไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายเหมือนกับโลกของความฝันเนี่ยเวลาเราฝันนอนหลับฝันนี่ก็จิตเป็นผู้ฝันจิตผู้ไปท่องกับเหตุการณ์ต่างๆฝันก็มีสองแบบฝันแบบคิดขึ้นมาเองผลิตขึ้นมาเองหรือฝันพ่ะมีมีบุคคลที่เป็นร่างกายทิศเหมือนกันมา มาติดต่อกันได้พวกอุปจารสมาธิเขาจะไม่นิ่งสงบแล้วเขาจะไปรับรู้ดวงวิญญาณต่างๆดวงจิตดวงใจที่ไม่มีร่างกายแล้วเช่น mm hmm. เรียกว่า mm hmm. พวกพวกกายทิพทั้งหลาย mm hmm. นี่คือสมาธิแต่สมัยปัจจุบันเราใช้คำว่าสมาธิ แทนสติมันเลยสับสนกันพอบอกพอพูดถึงคำว่าสติเลยไม่เข้าใจว่าสติคืออะไรสติก็คือสมาธิที่พวกคุณกาลังใช้อยู่นี่ไม่มีสมาธิในการอ่านไม่มีสมาธิในการดูการฟังบางทีไม่มีสติในการดูการฟังดูอะไรก็ดูไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีสติใชนะ่ดูไปก็เห็นแต่ภาพแต่ใจไม่คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีสติในการฟังเขาพูดอะไรก็ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะใจไปอยู่กับเรื่องอื่นเหมือนเวลาภาสนี่บางทีใจมันฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะมันไม่มีสติในการฟังฟังแล้วใจมันไปคิดเรื่องอื่นแทนไปคิดเรื่องปัญหาที่มารุมเร้าจิตใจอยู่นี่คือเรียกว่าสติถ้ามีสติแล้วต้องรู้อยู่ทุกขณะว่ากําลัง กำลังทำอะไรกำลังเห็นอะไรกำลังได้ยินอะไรกำลังสัมผัสกับอะไรกำลังคิดอะไรนี่มันจะรู้เรียกว่ามีสติแล้วก็หยุดมันได้ด้วยรู้เฉยๆไม่พอถ้ารู้แล้วยังหยุดไม่ได้ก็สแสดงว่ายังไม่ใช่สติสติยังไม่มีกำลังพอถ้าสติมีกำลังพอนี่ยพอคิดปุ๊บ ก, ก็หยุดปับ๊บต้องอย่างนั้น ต้องไม่ให้มันคิดเลยให้รู้เฉยๆไปเรื่อยๆถ้าไม่มีกำลังก็ต้องใช้วิธีอุบายใช้พุทโธก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปมันก็จะไปคิดไม่ได้หรือให้มันเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมอย่างเดียวกำลังแปรงฟันก็ให้อยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่น ให้อยู่กับการแปลงฟันอยู่กับการหวีผมอย่างนี้มันก็จะหยุดความคิดได้มันต้องหยุดอยู่บ่อยๆหยุดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันหายไปจนกระทั่งใจว่างสักแต่ว่ารู้อย่างนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมได้รวมแล้วก็ความอยากก็หยุดทํางาน ก็จะพบกับความสุขที่ไม่มีควาที่เกิดจากการไม่มีความอยากเรียกว่าความสงบของใจพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่มีความสุขกันใดจะเริ่กับความสุขที่ได้จากความสงบความสงบที่สงบความสงบที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆนี่แหละผลที่เราจะได้จากการฝืนความอยากจะได้ความสงบ ได้ความอิ่มได้ความพอถ้าเราสกัดมันไปเรื่อยๆฟื้นมันไปเรื่อยๆต่อไปมันจะหมดกำลังไปเองถ้าเรารู้ว่ารู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเราก็จะไม่กล้าอยากต่อไปเหมือนกับเราไปแตะไฟครั้งหนึ่งแล้วเราต่อไปไม่กล้าไปแตะมันนะใช่ไหมรู้ว่าแตะแล้วมันเจ็บ ไปแต่ของที่มันร้อนอยู่ยต่อไปไม่เอาเลยแต่ก่อนหน้านั้นหมาเก่งไม่กลัว อ, อไฟเหลอสูออ้พอไปเจอมันเข้าจริงๆนันกลัวเลยต้องเห็นโทษของความอยากเหมือนกับเห็นโทษของไฟแล้วมันจะไม่กล้าไปแตะอีกต่อไปจะเห็นโทษก็ตอนที่จิตสงบนี่แหละตอนที่ความอยากหายไป ว่ามันมีความแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเวลาอยากม่ใจร้อนใจเครียดใจหงุดหงิดใจลำคาแทบจะ อ, อกแตกตายบางทีคนที่ฝืนความอยากเนี่ยมันจะ อ, อกแตกตายเลยแต่พอความอยากมันยอมแพ้มันหยุดปั๊กเนี่ยหายไปหมดเลยสงบนิ่งเงียบไม่หมดเลยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจ นี่การสู้แบบไม่ต้องใช้อะไรใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้แค่นี้สู้กับมันไปไม่ต้องเข้าสมาธิละใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันถ้าเข้าสมาธิก็เหมือนกับไปหลบมันเดี๋ยวออกมาก็ต้องเจอมันอยู่เห็นกันสู้กับมันให้มันตายต่อหน้าต่อตาไปเลยถึงบอกว่าลองนั่งเฉยๆดูสักห้หกชั่วโมงเลย ไม่ต้องทำตามความอยากให้นั่งเฉยเฉยนั่งหางเก้าอี้สบายสบายไม่ต้องทรมานนั่งกายแต่ห้ามหลับนะห้ามนั่งหลับไม่ได้คิดว่าเรากำลังนั่งรถไปไหนก็ได้นั่งรถไปเชียงใหม่ขยับไปไหนไม่ได้อยู่ในรถก็ต้องนั่งเฉยเฉยทไมนั่งรถไปเชียงใหม่นั่งกันได้เราให้นั่งเก้าอี้ที่บ้านคนเดียวเฉยเฉยทไมนั่งไม่ได้ เออแล้วนั่งรถมันมีของดูใไหมแต่ถ้ารถจอดอยู่เฉยๆนี่หมุนหงินแล้วเลยพอรถไปติดไฟดงไฟแดงแล้วรถเสียรถติดวิ่งไปไหนไม่ ไ, ไ, มได้ไม่ได้เดี๋ยวก็อึดอัดละแต่พอรถวิ่งได้ก็หายอึดอัดเนเพราะมันได้เห็นภาพได้เห็นภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนภาพมีภาพใหม่ๆ ใ, ให้ดูไปเรื่อยๆนี่แหละคือ เรื่องของความอยากกับของความไม่มีความอยากถ้าอยากจะํำลายความอยากก็ต้องสร้างทำขึ้นมาสู้กันสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาใช้ทานกระสีเป็นตัวเบิกทางเล่วหาเงินหาทองเพื่อทำตามความอยากาเฉพาะเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็รักษาสีแน้บ่อยสุด และไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวกับใครไม่ต้องไปติดคุกติดตารางขึ้นลงขึ้นศาลเรก็ไปปีกไม่เวกเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยก็นั่งสบายนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทำอะไรสู้กับความอยากอยากจะเดินก็ไม่ต้องเดินอยากจะนอกจากมันเมื่อยจริงๆริงก็อนุญาตให้ยืนตรงข้างๆเก้าอี้เนี่ยไม่ต้องไปไหนแล้วแล้วถ้าปวดท้อง ก็เข้าห้องน้ำได้ไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ฟังทำรรมะไม่เอาทั้งนั้นสู้กับความอยากด้วยสติอยากคิดถ้ามันคิดอะไรก็หยุดคิดซะพุทธโธพุทธโธไปดูลมหายใจไปหางานอะไหให้มันทําพุทธโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้มันก็จะผ่อนคลายความเครียดได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะอกแตกตายมันจะทนไม่ไหวนอกจากมีมีกำลังมากมีสติมาก mm hmm. ก็จะฝืนสู้กับความอยากได้ดูความอยากไปมึงอยากก็อยากไปแต่กูไม่ทำตามมเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้เองพอมันรู้ว่าเราไม่ทาตามมันจริงๆมันก็หยุดเองพอมันหยุดแล้วก็เบาสบายนั่งแบบไม่เครียดได้ นี่แหละคือค่าศึกสัตูของพวกเราคือความอยากอยากไปรับใช้มันถ้าไปรับใช้มันก็เหมือนกับเรายกธงขาวค้าศึกบุกมาปั๊บก็ไม่สู้แล้วยกธงขาวเลยพี่ต้องการอะไรเอาไ้เลยพี่ต้องการให้ทำอะไรสั่งมาเลยก็เป็นท่าของมันไปเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้มันสั่งให้มาเกิดก็ต้องมาเกิด เกิดแล้วเวลาแก่ก็ทุกข์เพราะไม่อยากแก่เวลาเจ็บก็ทุกข์เพราะไม่อยากเจ็บเวลาตายก็ทุกข์เพราะไม่อยากตายพาให้เรามาหาความทุกข์สั่งให้เรามาหาความทุกข์กันถ้าจะไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยอมรับความจริงแก่ก็แก่สิเจ็บก็เจ็บสิตายก็ตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย แล้วจะไม่ทุกข์แลจะไม่กลับมาเกิดแล้วเพราะเราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากก็คิดว่าเร็วนะคุยปป๊บเดียวเกือบชั่วโมงแนละ้ว่เวลาเทศรู้สึกว่านานกว่านี้แต่กลับไม่นานแต่นี้นั่งคุยไปเรื่อย 6ชั่วโมงนะเรนจะให้พรก่อนนะเนี่ยเใครอยากจะกลับหรืออยากจะอะไรก็ว่าไปทีนึง<ม>ลองไม่ทําดูนะคุณสรุรันลองนั่งสักเฉยๆสัก 5-6 ชั่วโมงดูไม่ต้องทําอะไรนอกจากดื่มน้ําเปล่ากับข้าว้างน้ำเท่านั้นหล่งนั้นไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ให้ทำอะไรเท่านั้น<ม>ให้ทําสมาธิให้ทําสติได้ให้ทําปัญญาได้ ก็มันิยมได้ข้อคิดคะมได้ข้อคิดเติมไปที่ทในพุาที่กไเพิ่มมาตรการการปฏิบัติเนอยู่ทำอยู่ใช้มันอยู่กับที่มันต้องมีมันต้องมีอะไรโหดๆเพิ่มขึ้นคื อ, อ, อ, อว่าที่ท่าบอกว่าความอยากขงเาข้าวของเราทุกวินาทียีสีชั่วโมง โยมก็คิดว่าเราไปนั่งสมาธิแลตอนที่มันว่างๆสงบสงบนี่นะคะมันก็ไม่เข้ามาเราก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากจริงๆเพราะเราปิดบดนะคะออตอนนี้มันเหลืออีกหลายชั่วโมงนะคะที่เราไม่มีสมาธิเราไม่ได้ทําเ อ, อแบบเ อ, อมีสติแบบเจริญสติจริงๆมันก็เข้ามานะคะอย่างยกตัวอย่างว่าโยมนี่ก็ วันก็ชอบจะมาใส่บารก็เลยเราไม่ิ mm hmm. จะคิดว่าจะหาอะไรที่มีประโยชน์มาถวายท่านมาถวายพระนี่มันก็มันก็อยากแล้วนะฮะ mm hmm. ก็ไม่ได้คิดอะ่ะเพราะที่ยอมทำสมาธิไปหกบไปนเนี่ยมันก็ s ม o o t h จนทะเลเรียบอลยนะคะก็ mm hmm. ไปมันเรื่อยๆอีกสิบปีมั่งคงไม่ได้เรื่อง น, นี่พ็อาจารย์บอกกันวันนี้นะคะว่าความอยากเนี่ย ก็ไปสู้กันต่อหน้าเลยอสู้กันจะจระเลยปั่นกันให้ยับไปรอบเลยออย่าไปนี่อย่าไปหลบเลยคือว่ามันต้องทํานอกนอกนอกที่เราต้องทําตอนที่มันเกิดขึ้นมามันอยากอะไรต้องหยุดมันนะไม่ใช่ไปทําแต่สะพะกันๆมันไม่ให้มันเข้าตอนสมาธิใช่ไหมคะ พออยากกาแฟปั๊บโยนกาแฟทิ้งเลยย้ายย้ายถ้วยแตกแล้วกันเททิ้งเลยให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่มีอะไรมายั่วยวนกวนใจอยากดูทีวีก็ยกทีวีให้คนอื่นไปเลยโยนรีโมทใช้เลยวันนี้ขอขอะคุณค่ะลองเอาชั่วคราวก่อนลองนั่งเฉยๆสัก 5-6 ชั่วโมงก่อน ไม่ต้องทําอะไรกินข้าวให้อิ่มเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรห้าชั่วโมงนั่งไปดื่มน้ําอย่างเดียวถ้าหิวน้ำเข้าห้องน้ําได้นอกนั้นไม่ให้เป็นจากเก้าอี้นั้นนอกจากยืนถ้านั่งนานๆเมื่อกลัวคนยืนอ้องยืดไว้เลยนะเก้าอี้ยืดไ ย, ยืนทังนัน 5, 5, 5. นไปทําอะไรทั้งนั้นอุบาที่ดีมากค่ะ อ า, ารย์คะเวลาเบริกรรมพุทโธกับบริกรรมของคนใละันหนังเนี่ยนะคะคุณภาพของสติที่เกิดขึ้นนี่มันเท่ากันไหมคะเพราะว่าอันยิงคําสั้นกับอันนิงคายาวก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตมันมันไม่สงบหรอกมันเพียงแต่ว่ามันทําให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ <c oughs> มันระ ง, งับความฟุ้งซ่านแต่มันไม่ทําให้ใจนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งถ้าอยากจะนิ่งมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวนั่งเฉยๆหลับตา พุทโธอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวอย่าเงี้ยมันถึงจะลงแต่ถ้าอก็แล้วแต่จริตเดียวบางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก็เพ่งอาการดัในอาการหนึ่งเส้นกระดูกเงี้ยนึกดับตาแล้วนึกภาพของโครงกระดูกขึ้นมาแล้วให้มนหันอยู่กับภาพนั้นไปแล้วจิตก็จะรวมได้ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเพ่งอยู่เ พรต้องการให้มันเป็นหนึ่งไม่ได้ให้มันเป็นสองเป็นสที่ให้เท่ า, ากันาร3 2บส่วนมนี้เป็นการดึงใจให้มันออกจากเรื่องวุ่นวายต่างๆก่อนเรื่องฟุ้งซ่านต่างต่างคิดเรื่องคนนั้นคนนี้ชอบคิดกามมาคิดกันเรื่องผมขนเล็บฟันแทนพอคิดไปสักพักมันก็จะเบาแล้วก็พุโทโธหรืออ า, อาการใดาอาการหนึ่งของสามสิองนี่ ดูเฉยๆไม่ต้องพิจารณาทำทำสมาธิไม่ให้พิจารณาให้ดูเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เรื่องของปัญญานี้ต้องมีสมาธิก่อนตอนนี้เอาเอาสมาธิให้ได้ก่อนให้ดูเฉยๆชอบดูลาไส้ก็ดูนึกถึงลาไส้เนี่ยดูมันไปดูปอดก็ได้ดูไตก็ได้ดูหัวใจก็ได้ดูกระโหลกศีรษะก็ได้ ดูโครงก็ดูก็ได้ถ้าอยากถ้าชอบร่างกายชอบอวัยวะต่างๆก็ดูถ้าชอบซากศพก็ดูศพก็ได้ mm hmm. เพ่งดูศพไปให้มันมีอันเดียวเพ่งดูศพก็เรียกมนานุสติ mm hmm. ถ้าเพ่งดูลมก็อานาปนาสติถ้าพุทโธก็พุทธานุสติ ให้เวลาจะให้มันนิ่งต้องต้องเอาเรื่องเดียวอย่างเดียวดูลมก็ได้แต่สมัยนี้คนมันมาผสมกันพุทเข้าโทออกมันเลยไม่สงบกันเพราะมันมาวุ่นอยู่กับพุทแล้วก็ต้องมาดูว่ามันเข้าแล้วมันออกมันกลายเป็นสองเรื่องไปเอามาเรื่องเดียวตอนต้นอาจจะเอาสองเรื่องก็ได้พุทเข้าโทออกพอใจมันอาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยใช้พุทโทหนึ่งกลับมาอย่างนี้ได้ แต่พอมันไปคิดแล้วก็หยุดแนวเรื่องเดียวอตอนตอนตอนแรกๆที่จะจ ะ, จะเริ่มเราก็มีวอมอัพนะอวอมอัพแฟังอย่างฟังเทศธนอาจารย์2องชั่วโมง<ว>มันวอมมากได้ว่าควรจะวอร์มจท <ะ S 2> ั้งหมดแล้วควรจะหมดแรงพอดีวอมเสร็จก็จะนั่งสมาธิไม่มีแรงเลย ก็ว่ามวรับแค่ห้านาทีก็พอเนี่ยว่รรับทั้งสองชั่วโมงอ่อากาศต้องฟังด้วยนะฮะสตันดีเลยก็เพ่งคือว่าจดจดจออยู่กับเสียงท่านอาจารย์เทศเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะนิ่งอยู่กับเรื่องธรรมะใช่ไหมฮะมันก็มีสติตอะนั้นก็ใช้โอกาสเนี้ยฟัง แล้วก็พอเสร็จปั๊บก็ไปนั่งสมาธิมันเข้าเลยมันมันสงบเร็วนะคะใช่ใช่มันเป็นอุบายอีกอย่างใช่เพราะถ้าจิตเรายังฟุ้งอยู่ก็ต้องมีอะไรมาตอบความฟุ้งให้มันเบาลงก่อนถ้าไม่ฟุ้งก็นั่งได้เลยก็นั่งไปเลยไม่ต้องมาวอร์มอ่ะมันวอร์มอยู่แล้วถ้ามันวอร์มอยู่แล้วก็ไม่ต้องวอร์มอ่ะอย่างรถเนี่ยมันถ้ามันตอนเช้ามันก็ต้องวอร์มหน่อยแต่ตอนกลางวันไม่ต้องวอร์มแล้วมันวิ่งอยู่ทั้งวัน ย่ไปวอร์มมันอยู่ด้ยเดี๋ยวมันจะไปติดที่วอร์มอัะมันจะไปติดล้าคนเดียวเหรอมายังไงอ่ะเดี๋ยวไปทำอะไรอยู่อ่ะ ติดหมดเลยครับต like ิดมันมีบริสัทมองไม่เห็นบรักทีแล้วนะว่าถ้เดินออไปเนี่ยแต่ที่นี่มันก็คงไม่มีทางหรือแต่ว่าคงว่าต้องต้องเดินไปทางทางใดเอรว่ามันมันจำเป็นต้องมีรถก็เลยว่าจะมาประกาศเป็นการไปทางไหนก็ทางไหนดีก็ไปทางนั้นก็แล้วกันทางไหนทางเลือกที่ดีสุดก็ไปทางนั้นก็แล้วกัน มีคําถามเข้ามาหรือยังมีค่ะอ้าวเชิญเลยคําถามจาก youtube คําถามจากคุณอาร์มอยากให้พ่อแม่สนใจศึกษาธรร ม, มะต้องเริ่มอย่างไรดีครับก็เราศึกษาก่อนเี่ยอย่าพิ่งไปอยากให้พ่อแม่ศึกษาเลย <c oughs> เราศึกษาของเราไปก่อนแล้ว เ, เดี๋ยวพอเราดีพ่อแม่เขาก็จะอยากจะศึกษาตามเราเองแต่ถ้าอยากจะศึกษาก็มีหนังสือธรร ม, มะก็ เอาไว้ประวังไว้ใกล้ๆพ่อให้ที่บ้านเขาก็แล้วกันแต่มันดีขึ้นดีก็อยากจะอ่านเขาก็อ่านคือการศึกษาธรรมะนี่ต้องเกิดจากค น, คนจากตัวพ่อแม่เองไม่ใช่เกิดจากลูกลูกอยากให้พ่อแม่ศึกษาแต่พ่อแม่อยากดูทีวีนี่มันก็ไปกันไม่ได้แล้วนเรื่องของความอยากนี่ของใครของมันเราทําได้อย่างมากก็คือให้มีธรรมะอยู่ใกล้มือ ถ้า เ, เขาเห็นเข้าแล้วสนใจอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเขาอาจจะหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้ถ้าอ่านแล้วถ้าถูกใจเขาก็จะอยากเององั้นของนี้เรื่องของความอยากนี่ต้องเกิดจากตัวของบุคคลตัวพ่อตัวแม่เองจะดีกว่าเราอยากแล้วเขาไม่อยากมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ วิธีจะทำให้เขาอยากก็อย่างนี้ใกล้เขามีโอกาสได้ได้ยินได้ฟังทมถ้ามีโอกาสก็ลองชวนเขาไปวัดดูอย่างนี้ถ้าเขาอยากถ้าเขาไปก็ไปเขาไม่อยากไปก็อย่าไปชวนเขาคำถามจากคุณพงพัฒจ์จะแก้การง่วงหรือเพียในระหว่างเดินนั่งสมาธิได้อย่างไรคะก็ต้องผ่อนอาหารกู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้อง รู้จักรับประทานอาหารพอประมาณรับประทานให้น้อยๆให้มันหิวอย่าไปรับประทานให้มันอิ่มถ้ามันอิ่มแล้วมันจะง่วงมันจะอยากจะนอนถ้ามันพ่อง่วงนอนอเฉพาะช่วงเวลารับประทานอาหารใหม่ๆก็รอสักพักก็ได้พักสักพักหนึ่งก็ได้ถ้าง่วงจริงๆก็ถ้าง่วงจากเพราะว่าเราเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆตอนนั้นก็ไปนอนพักสักก่อนก็ได้พักสักชั่วโมง อตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็หายง่วงแล้วทีนี้ก็ถ้ายังง่วงอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารและเรื่องของกิเลสก็ต้องอดอาหารให้มันหิวถ้ามันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วงแต่ก็ระวังมันจะพุ่งสร้างมันจะมันจะไม่ยอมพุทโธมันจะคิดแต่เรื่องอาหารแล้วเดี๋ยวมันก็หมันกับพุทโธไม่ได้ เดินจมกองไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อยงั้นะต้องรู้จักกล้ า, าหารอดทนคนที่อยากจะได้ธรรมะนี่เพราะมันจะมีอุปสรรคคอยขวางกัน้นและ ว, วิธีแก้อุปสรรคมันก็ต้องทรมานตนเขาเรียกาการทรมานตนการอดอาหารการผ่อนอาหารเนี่ยหรือไม่เช่นั้นก็ต้องเดินเยอะเดินให้มันหายง่วงเลยมันง่วงก็ บ, บังคับให้มันเดินอ ย, อย่าหยุดเดิน เดินมันข้ามมันทีละก้าสองก้าสามก้าไปเดี๋ยวถ้าเราชนะมันเดี๋ยวมันหายง่วงถ้าแพ้มันมันก็จะวิ่งมันมันก็จะเดินไปนอนคำถามจากคุณย อ, อ๋อเลยอีกข้อนึ่งหรือไปอยู่ที่น่ากลัวก็ได้ถ้าอยากจะหายถ้าอยากจะหายง่วงก็ไปที่ไปที่ไหนที่มันน่ากลัวมันจะไม่นอนไม่หลับทั้งคืนต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิในป่าชา้าเลย อไปตคงถามจากคุณยูในบทสวดมนต์อริยมรรคมีองค์8ข้อสัมมาสติที่ว่าพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายนายกายอยู่เป็นประจำหมายถึงอะไรและพิจารณาอย่างไรคะเรพิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นดินน้ำลมไฟตายไปก็กลับกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้คาถามจากคุณลวิวันเรื่องความอยากถ้าโยมจะไปซื้อบ้านเก่าของโยมไว้แต่เราไม่เดือดร้อนมันคือความอยากใช่ไหมโยมแค่เสียดายมันอยากเอากลับมาแค่ครอบครองอีกสักทักเท่านั้นเองเพราะเรามีกําลังที่จะครอบครองมันค่ะ ก็อยากไม่ใช so ่เมื่อกี้ก็บอกว่าอยากจะได้มาเนี่ยถ้าอยากมันก็ก็อยากะว่าทําไงได้ถ้าเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดมันไฟไหม้ไปก็จะเสียใจคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพรมฟักพรมลูกฟักแตกต่างจากพระนิพพานอย่างไรครับพรมลูกฟักเหรอไม่รู้เหมือนกันเพิ่งได้ยินวันนี้ย องถามจากธรรมะในสวนข้อที่หนึ่งถ้าลูกมีเป้าหมายปฏิบัติให้ถึงขั้นโสดาบันลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะมันก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปจากชั้นต้นคือทานศีลภาวนานี่แหละอยู่ที่ว่าเรามีมีมากมีน้อยก็ทำไปแ้่เรายังไม่ ใจเรายังไม่เป็นทานใจเรายังหวงยังโลภอยู่ก็ต้องทำบุญทาทานให้มันหายโลภหายหวงให้อยู่ให้ไม่มีมความอยากได้เงินมากกว่าความจำเป็นนี่เรียวกว่าหายโลภขอให้มีเงินพอใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่ไม่อยากได้เงินมาซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อซื้อรูปเสียงกิน่นรสอะไรต่างๆ่าเหล่านี้ ซื้อแก่ปัจจัยสี่แล้วก็ซื้อน้อยๆซื้อพอใช้ได้ซื้อผ้าสองสามชุดก็พอถ้าปฏิบัติธรรมก็่ชุดดำขาวอีสามชุดนี้ก็ไปไหนได้แล้วบ้านก็แล้วแต่ไม่มีบ้านก็เช่าก็อยู่ก็ได้ไปอยู่วัดก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟอาหารก็กินันละมือ้อกินแบบถูกๆอะไร ต้มตำน้ำพริกปลาทูผักจิ้มน้ำพริกอะไรนี่มัไม่กี่ตังค์กินพอให้มันอิ่มพอให้อยู่ได้ยาก็รักษาส0บาทรักษาทุกโรคมีอยู่แล้วก็พอแล้วถ้ามีนี่คือขั้นต้นคือท่านทานคือให้เราอย่าไปอยากได้เงินได้ทอง ถ้ามีเหลือเกินก็เหลือแล้วไม่ต้องใช้ก็เอาไปทำบุญนะที่ให้ทำบุญก็คือเนี่ยถ้ามันมีมากเกินไปมีไว้แล้วเดี๋ยวมันจะมายั่วใจให้ไปซื้อของไม่จาเป็นต่างๆให้ไปใช้ตามความอยากต่างๆก็เอาไปทำบุญแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมใจได้ไม่เอาเงินใช้เงินแบบตามความอยากจะเก็บสำรองไว้อนาคตก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่อย่าไปยึดมันเป็นสาระเป็นที่พึ่งในการหาความสุขด้วยความอยากก็แล้วกันเรียกว่าทำทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์พยายามศีลหศีล8แล้วก็อ จ, จเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบมีสมาธิจะมีกำลังพิจารณาร่างกายปล่อยวางร่างกายได้ พิจนาให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ เ, เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้มันแก่ไปให้มันเจ็บไปให้มันตายไปถ้าทําได้ก็บรรลุปเป็นโสดาบรรได้ปล่อยวางร่างกาย ข้อที่สองในขณะที่ลูกนั่งสมาธิจิตจะเริ่มนิ่งนั่งไปอีกสักคู่พุโทโธก็หลุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งตลอดเป็นบ่อยมากเจ้าค่ะลูกควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็พุโทโธต่อสิท้าไม่าไมปล่อยให้มันไปคิดทำไมถ้ามันคิดได้เราก็พุโทโธได้ก็กลับมาพุโทโธต่อไปอย่าขี้เกียจต้องขยันพุโทโธพอพุโทโธหายก็ต้องนึงกลับมาใหม่ นอกจากมันสงบแล้วมันหายไปก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามันสงบนิ่งมันสบายมีความสุขไม่มีความคิดก็ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันพุโทโธหายแล้วความคิดเข้ามาก็ต้องดึงพุโทโธกลับมาใหม่คำ ถ, ถามจาก YOUTUBE คำถามจากคุณาศาสิการลูกนั่งสมาธิชอบคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยลูกจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค ะ, ะเช่นเดียวกันไม่มีสติไงก็ต้องหัดสร้างสติขึ้นมา เหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเบรคมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้รถหยุดมันก็ต้องไปติดเบรคถ้าเบรคเสียก็ต้องไปซ่อมเบรกใจเราก็เหมือนกับรถยนต์ชอบคิดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ใจห ย, ยุดคิดก็ต้องมีเบรคต้องมีสติสติก็มีหลายวิธีพุทโธก็วิธีหนึ่งนึกถึงศพก็วิธีหนึ่งนึกถึงกระดูกโครงกระดูกก็วิธีหนึ่งให้มันนึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ม เพื่อจะได้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะครัถามจากคุณน้องเล็กการถือสีแปดสามารถทาครีมกันแดดหรือครีมทาผิวหน้าผิวกายเพื่อป้องกันรักษาผิวแห้งได้ไหมคะก็มันก็ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการหา หาอะไรมาทุบมาทาต้องการที่จะดูแลรักษาร่างกายให้มันแบบง่ายที่สุดวิธีง่ายที่สุดก็คืออาบน้ำหลับท่าก็พอละให้มันสะอาดผิวมันจะแตกผิวมันจะแห้งกัเรื่องของมันถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ปล่อยมันแห้งไปเราไม่ได้ต้องการความสวยความงามของร่างกายเราต้องการความสวยงามของใจใจจะสวยจะงามว่าเมื่อใจไม่มีความโลภความโกรธความหลง ใจต้องมีความสงบถึงจะสวยคาถามจากคุณสติระลึกกรรมไม่ดีกำลังตามมาเหมือนเกลือที่อยู่ในน้ำถ้าเราทำกรรมดีจเจริญกรรมฐานาบ่อยๆเหมือนเติมน้ำลงไปในเกลือให้เจือจางลงกรรมไม่ดีเจือจางลงถึงแม้จะไม่หมดไปแต่ก็ตามเราไม่ทันความคิดนี้ถูกต้องไหมครับมันมัน มันไม่ถูกหรอกการทำความดีก็เป็นเหมือนกับการเอาเบาะมารองรับหรือเอาเกราะมาใส่ร่างกายเราแต่กรรมที่ไม่ดีมันก็ต้องแสดงผลเช่นเขาจะปืนมายิงเราเนี้ยเราก็ห้ามเขไม่ได้แต่ถ้าเราทำความดีก็เหมือนกับเราไปซื้อเสื้อกเกราะมาใส่เขายิงเรามันก็เข้ามันก็ไม่เข้าไปในร่างกายเราถ้าเรามีความดีมบากรรมก็จะไม่เข้ามาในใจเรา อย่าเข้าเข้าไปที่ร่างกายหรือไปเข้าที่เข้าของเงินทองของเราทําลายเข้าของเงินทองเราได้ทําลายชีวิตเราได้แต่ไม่สามารถทําลายใจเราได้เพราะใจเรามีบุญปกป้องคุ้มครองไว้แต่ไม่ได้ไปทําให้บาปกรรมมันเจือจางหรือหายไปน้อยไปมันไม่ได้การทําความดีเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันใจเวลาเกิดวิบากรรมใจไม่สะทกสะท้าน เพราะพระพุทธเจ้าถูกทวเทวทัตพยายามฆ่าถึงสามครั้งใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนใจเลย mm hmm. อันนี้เพราะเพราะทำหรือเพราะบุญที่พระเจ้าได้ทงสร้างไว้ mm hmm. จึงทําให้ใจนี้เป็นปกติไม่ดรุนวายไม่เดือดร้อน mm hmm. แต่เรื่องร่างกายนี้ก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ร่างกายพระเจ้าก็ยังต้องนอนสัก โดนสะเก็หินทำให้พ้อเลือดขึ้นมาแต่เรื่องของปะวรากายนี้ไม่เป็นปัญหาะลรประวรากายจะตายไปพระทัยของพระองค์ก็ยังเป็นปกติเหมือนกับไม่ได้ตายนี่คืออำนาจของบุญของความดีที่เราสร้างกันขึ้นมาการสร้างความดีสร้างบุญไม่ได้ไปทำลายหรือทําให้บาปที่เราทํานี่มันจางลงไปหายไปมันไม่ใช่ มันไม่เหมือนกับละลายเอาเกลือไว้ในน้ำแล้วใส่น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยใส่เยอะๆเดี๋ยวเกลือมันก็จะไม่มีไม่มีลดนะลดถ้าน้ำมันมากๆความเค็มของเกลือก็อาจจะถูกปริมาณของน้ำกบไปนัน่ไม่ใช่คือจะว่าใช่ก็ใช่แต่มันมันไม่มไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมั น, มนบาปกรรมที่ทำไว้มันก็ยังมีอยู่ บาปหนักมันก็ยังหนักอยู่ไปทำให้มันเบาไม่ได้พูดง่ายๆแต่ทําถ้าเรามีของรับมีเครื่องรับมันนี่มันมันรู้สึกเบาในตัวเราเช่นเรามีเกราะคุ้มใส่เกราะกันกระสุนนี้เราก็ยิงเข้ามามันก็ยิงไม่เข้าหรืออาจจะเข้าไปก็เพลงแต่ไปถูกแค่ผิวหนังทำให้เกิดถลอกปอกเปลอกอะไรอย่างนั้นท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของบุญที่เราทำไว้ที่จะรองรับกับบาปที่เราทำไว้หรือถ้าจะเปรียบเทียบอีกทีก็เหมือนกับไปหาเบาะหนาๆมารองไว้ใต้ที่ใต้ตึกนียเวลาก็จะกระโดดตึกลงมาเนี่ยตกจากตึกสูงๆถ้ามีเบาะหนาๆรองรับอยู่มันก็จะไม่เจ็บแต่จะไม่ห้ามไม่ให้มันตกจากตึกไม่ได้การตกจากตึกนี่เป็นเหมือนเรื่องวิบา ก, กรรมที่เราทาไว้ วิบาสของบาปที่เราทำไว้มันต้องตกจากตึกแต่ถ้าเราเรีบไปหาเบามาลองไว้เวลาตกมาจากตึกมันก็จะไม่เจ็บ็นลักษณะของบุญที่เราทำไว้ไปสำหรับรองรับกับวิบา ก, กรรมต่างๆอ่าต่อไปคาถามจากคุณไกรลินพิธีกรรมแนละบทส่วนต่างๆในปัจจุบันมีมา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเปล่าครับแล้วเราควรจะยึดติด ก, กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยพุทธกาลแล้วในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้แสดงไว้อย่างชาัดเจนว่ามีพิธีกรรมหรือเปล่ามีแต่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วเราก็ให้พอรอะไรทําลองนั้นทำเองแต่พิธีกรรมอะไรต่างๆนี้ถ้าจะมีก็เป็นพิธีกรรมของสงฆ์ เ, เวลาสงฆ์จะทาสร้างโบสถ์สร้างอะไรนี้เขาจะต้องมีการามีการปรึกษาหารือว่าเป็นที่เหมาะสมหรือไม่อะไรต่างๆอนนี้ก็เป็นเหมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งแต่มันเป็นพิธีกรรมที่มีเหตุมีผลเช่นเวลาบวชก็ต้องมีพิธีกรรมก่อนที่จะมาบวชก็ต้องผ่านขั้นตอนว่ามีของครบหรือเปล่า มีคุณสมบัติครบหรือเปล่าพระก็ต้องประกาศบอกพระร่วมกันว่าเนี่ยมีนายนี้จะมาขอบวชเขามีของครบทุกอย่างมีคุณสมบัติครบถ้วนสงจะคัดค้านหรืออนุมัติก็เป็นเหมือนเรื่องของสภาอย่างเงี้ยสภาเวลาจะออกกฎหมายก็ต้องมีการปรึกษาหาหรือการมีการถกเถียงกันจนในที่สุดก็ไปสู่การลงคะแนนเสียง อลนาลองคะแนนเสียงถ้าเสียงมากกว่าเก่งนึงก็แสดงว่าผ่านอันนี้ก็ลักษณะของพิธีกรรมของสองฆ์เป็นอย่างนี้แต่พิธีกรรมที่ทํากันในปัจจุบันนี้มันดูแล้วมันไม่จําเป็นอ่ะคือจะนิมนต์พระไปฉันกับฉันสิทำไมต้องให้นั่งพระพระต้องทําไมต้องนั่งสวดด้วยสวดไปทําไมสวดไปคนก็ไม่มีคนฟังอยู่ดีเวลาไปกิน์นิมนต์นี่จะเอาคนแก่สองสามคนมานั่งฟัง คนหนุ่มคนสาวเขาไปต้อนรับแขกกันไปเตรียมข้าวของจะทำอาหารในคงในครัวกันปล่อยให้พระสวดอยู่กับคนแก่สองสามคนนั้นมันถ้าทำอย่างนี้มันก็อย่าไปทำดีกว่าพระใจพระสวดกับความจริงการสวดของพระก็คือการแสดงธรรมแต่สมัยนี้เราไปสวดภาษาบาลีฟังก็ไม่รู้เรื่องอีก็กเลยไม่อยากจะฟังกันนะ เวลาพระสวยก็เลยคุยกันแทนไปงานศพนี่เห็นไหมพอพระกุศลาปั๊บนี่ก็หันหน้าคุยกันอย่างนั้นก็กาพิธกรรมเหล่านี้ก็มันไม่มีความหมายไม่มีสาระประโยชน์อย่าไปทำแต่เดิมทีมันมีประโยชน์การสวดนี่ความจริงพาสวดเพื่อท่องจำธรรมสอนของพระพุทธเจ้า เพราะสมัยก่อนมันไม่มีหนังสือพระอา่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้กันก็เลยอาศัยความจำเพื่อจะได้หนึ่งเพื่อที่ตัวเองจะได้จำได้จะได้เอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องสองจะได้สืบทอดคำสอนของท่เจ้าต่อไปไม่ให้มันหายไปที่พระสตดความจริงเป็นการท่องคำสอนที่ท่านท่องภาษาบาลีเราก็เลยคิดว่าเป็นการ สวนไปไปอะไรไปาจริงมันเป็นการท่องจำงั้นการพิธีกรรมต่างๆของพระพุทธศาสนาจริงมันมีเหตุมีผลแต่พอมาถึงปัจจุบันคนไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลมันก็เลยไม่ได้ทำได้ถูกต้องตามเหตุที่ที่จะทำให้เกิดผลเดี๋ยวพระก็แสดงทาไม่เป็นก็แล้วสายสวยกันท่องกันไป เวลาเขานีมูลไปก็สวยกันไปคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องก็รอเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะภาวตุสับร้อนได้อาว่ามาเดี๋ยวนี้บางวัดดีนะเจ้าคะเริ่มมีสวดศพเป็นภาษาไทยแล้วฟังรู้เรื่องเจ้าคะบางวัดเขาปรับรุงก็ฟังแล้วก็ดีมันก็ใช่เอางใมันก็เป็นธรรมะเป็นการฟังเทศน์นั่นแหละแต่ทีนี้ เขาก็กลัวว่าถ้าเปลี่ยนเอาเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวกลัวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอ่ก็เลยเอาบาหลีดีกว่าบาลีนี่มันภาษาตายมันภาษาที่ไม่มีคนใช้แล้วอ่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าแปลเป็นไทยเดี๋ยวคนไอ้คนมาแปล ก, ก็แปลไม่เหมือนกันอ่าเราวัดเนี่ยเคยไปงานศพเออดีจังเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเริ่มแปล ความจริงก็ให้พระรูปเดียวก็พอไม่ต้องมีพระามาสวดหรอกถ้าจะแสดงธรรมแล้วก็ไม่ต้องสวดก็กยอย่งว่าแสดงการแสดงไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยสวดไปเอาคําสอนขอุตแทเจ้ามาเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองแสดงไปเดี๋ยผิดก็อาจจะแสดงผิดได้ก็เลยอาศัยการสวดแปลไปอย่างนี้ก็ดีทางวัดเขาก็มีสวดธรรมจักแล้วก็แปลไปด้วยสลุดสลับกันไปนะ สวดบาลีคำหนึง่งแล้วก็แปลคำหนึง่งไม่ใช่คําประโยคหนึง่งส่วนบาลีไปประโยคหนึง่งแล้วก็มาแปลส่วนคําแปลภาษาไทยประโยคหนึง่งที่วิญญาณนี้ก็หนังสือส่วนมึงก็จะมีสองมีบาลีอยู่หน้านหนึ่งเลือกอีกด้านหนึง่ ง, นนงอยู่ข้างๆคู่กันไปก็เป็นภาษาคําแปลแต่นี้ถ้ามันทั้งทั้งแปลทั้งทั้งสวนทั้งแปลมันจะยาวมันจะเสียเวลามาก แล้วบางทีมันไม่มันมันไม่ติดต่อกันเน่ะมันฟังแล้วมันยุ่งยากบาลีครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งบาหลีครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งมันก็เลยอวุ่นวายไปหมดการส่วนนี้เป็นการทําใจให้สงบไม่ให้วุ่นวายมันก็กลับมาวุ่นวายครับเพิธีกรรมต่างๆในวันนี้มันค่อนข้างที่จะสับสนปัสสาวถึงไม่ค่อยมีพิธีกรรมเท่าไหร่ วันป่า ก, ก็มีแค่เนื้อฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปภาวนากันถ้าอยากจะสวดมนต์ก็สวดคนเดียวไปสวดไปภายในใจเพื่อกล่อมใจให้สงบไม่ให้คิดฟุ้งซ่านนี่คือเป้าหมายของการสวดการสวดที่เป็นประโยชน์จริงๆต้องสวดคนเดียวไม่ใช่มานั่งสวดกันเป็นฝูงแล้วก็ส่งเสียงดังแข่งกันบางคนเร็วบ้างคนบางคนช้าบ้างโอ้อะไรก็ไม่รู้ ประสานเสียงกันบางทีคนนึงเสียงสูงคนหนึงเสียงต่ําออันนี้มัไม่ใช่หรอกการสวนนี่คนจะสวดคนเดียวเนี่ยอยู่ที่พักของเราสวดไปพึมพําพึมพำไปเพื่อจะได้ไ ม, ม่มานั่งคุยกันมานั่งทะเลาะกันมานั่งคิดถึงขนมน ม, นมเนยกันนะคืออุบายของการสวดมนเพื่อกล่อมใจให้สงบ การจะสงบนี่ต้องอยู่คนเดียวสวดคนเดียวจะด้นไม่ดังไปมีอารมณ์กับคนคนอื่นเลาสวดก็แต่ละคนนี่มีเสียงไม่เหมือนกันเสียงดังเสียงค่อยไม่เหมือนกันสวดชา้าสวดเร็วไม่เหมือนกันบางคนสวดไม่ฟังจังหวะคนอื่นนะฉันจะสวดประชานวิทย์ พุโทโธจำเป็นต้องนึกไว้กลางอกไหมเจ้าคะไม่ต้องหรอก ไ, <ป S 1> ไม่ไ ม, ไม่ต้องหรอกให้ให้นึกอยู่ให้อยู่กับคานึกเท่านั้นเองมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับคำคาพุโทโธไปไม่ต้องอยู่กับอาการของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งคำถามจากคุณเมทินีโยมไปเดินออกกำลังกายตอนตีสี่กว่าที่สวนสาธารนณะรอบหนึ่งประมาณสามกิโล แล้วท่องพูดโธไปด้วยใจสงบและนิ่งมากแบบนี้เรียกว่าเดินจงกรมไหมเจ้าคะได้เรียกว่าเดินจงกรมแล้เรียกวิ่งจงกรมเนี่ยเราวิ่งใช่ไหมไปออกกำลังกา ย, ยไปเดินเฉยๆถ้าเดินเฉยๆก็ถ้าเดินไปสวดไปก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมก็ได้คำ ถ, ถามจาก Youtube คำถามจากคุณทีการที่พระท่านนำของที่คนมาถวาย ไปถวายพัดที่ท่านไม่มีและไปแจกคนที่ไม่มีถูกต้องหรือเปล่าครับและคนที่นําของมาถวายจะได้ผลจากทานนั้นด้วยหรือเปล่าครับได้คนที่ถวายพอถวายแล้วก็ได้บุญแล้วส่วนของที่รับนั้นก็เป็นของคนรับไปคนรับจะไปทําอะไรก็เป็นสิทธิของคนรับจะเก็บไว้กินเองจะไปให้คนอื่นต่อก็ก็ได้ทั้งนั้นไม่ไม่เสียหายไม่เป็นโทษแต่อย่างใดแต่บางทีต้อง รู้จักการราัเทสะนนไม่ใช่พอรับปุ๊บ ก, ก็โยนให้คนอื่นเลย <c oughs> คนให้เ <c oughs> สยียใจเ <c oughs> พ้าคนให้อย่าใช่คนรับใช้แต่ก็ต้องเห็นใจคนรับเพราะไม่ใช่มีคนให้คนเดียว <c oughs> บางทีมีคนให้เป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยถ้าจะไปใช้ของทุกคนมันก็ไม่ไหว <c oughs> แต่ก็ควรที่จะดูการราัเทศะเวลาคนให้เขายังอยู่ก็อย่าเพิ่งไปให้ใครเ <c> ก <oughs> <c oughs> ็บ <ultimately S 2> <c oughs> ไว้เ <c oughs> ฉยๆก่อน ไว้ลอเขากลับบ้านไปก่อนอยากได้กันาคำถามจากคุณชาร์ปจะเตรียมของแห้งที่จะถวายเป็นสังฆทานที่วัดขอคำแนะนำด้วยค่ะนมกล่องผลไม้กล่องถั่วมะขามเหมาะสมไหมครับคือตามหลักพระวินัยเนี่ยของที่จะถวายพระมันมีสามชนิด ของที่เป็นอาหารนี่ถ้าพารับกับมือเนี่ยมันจะหมดอายุภายในเที่ยงวันเก็บไว้ข้ามคืนเก็บไว้กินต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะกินต่อไปต้องถวายแบบไม่รับกับมือให้วางไว้แล้วลูกศิษย์จะ เ, เป็นคนไปเก็บไว้ให้เวลาต้องการจะฉันเมื่อไหร่ก็บอกให้ลูกศิษย์เอามาถวายได้อย่างนี้ถึงของสังฆทานบางทีมีของหลายอย่างปนกันของที่มีอายุ พอถึงเที่ยงก็หมดอายุของบางอย่างก็เก็บไว้ได้7วันเช่นของที่เป็นพวยน้ำตาลน่อยเคลนน้อยใสยน้ำมันน้ำผึ้งอย่างนี้ถ้ารับกับมือก็เก็บไว้ได้7วันและหลังจาก7วันก็ต้องสละไปถ้ายังมีเหลืออยู่ไม่สะสมถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆก็ต้องเอาไปไว้เป็นของส่วนกลางแล้วเวลาต้องการก็ให้ลูกศิษย์มาประเคนให้ อย่างของที่ญาติโยมมาถวายนี่ส่วนใหญ่จะให้วางไว้ไม่ได้รับกับผ้าเพราะบางทีมีอาหารเนี่ยทีก็มีเมื่อกี้เห็นมีแบนพอรับก็ฉันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลยเที่ยงวันแล้วจะเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะหาว่าเป็นการเก็บอาหารข้ามคืนก็ไม่ได้ญาติยาโยมถวายได้แต่ญาติโยมต้อง เชื่อพระพระบอกให้วางไว้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่บางคนคิดว่าให้วางไว้แล้วไม่ได้บุญถ้าถ้าไม่ได้รับกับมืออย่างเงี้ยเขาก็อยากจะให้รับกับมือให้ได้พ <c oughs> อรับกับมือพระก็ฉันไม่ได้จะ <c oughs> เอาอยัางไงว ะ, <c oughs> จะใจพระฉันเริ่มโยมยาวบุญแล้วตอนหลังพระส่วนใหญ่ท่านก็เลยตามใจโยมเอ้าอยากจะให้รับกับมือกั บ, บมาตอนไหนมีอะไรใสอะไรเข้ามาตัดรับมันหมดเลย ราบมันหมดนล้วท่านก็สละไปแล้วให้ลูกศิษย์มาถวายใหม่อยู่ดีมันกะ็แต่ความจริงมันก็ไม่ถูกมันสละแบบไม่ได้สละจริงสละแบบมึงต้ององมาคืนกูนะถ้าสละจริงก็น้อยก็ไปเลยก็จะไม่ต้องอมาคืนเร <c oughs> าอแต่สมัยนี้เขาก็ทําแบบนี้ก่รเขาว่าน้ำตาเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาถวายเนี่ยเจ็ดเก็บไว้ได้เจ็ดวันเลยน ะ, ะเจ้าค่ะองค์พระเก็บไม่ได้ฉันได้เจ็ดวัน ของบางอย่างเก็บได้บางอย่างเก็บไม่ได้ท่านพูดถึงน้ำตาลไหมไม่หรอกเก็บได้เจวันมีอยู่ห้าเขเรียกเพสัชาตุชนิดน้ําตาลน้ำอ้อยพูดทำ น, นองว่าหลวงปู่ม่า น, นบอกว่าต้องให้มันเป็นยาไม่ใช่เอามาใส่อาหารคือถ้าเบื่อเอามาฉันเพื่อเป็นยาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านบอกว่าพระบางองค์เหมือนเก็บไว้แล้วก็เอามาใส่อาหารเป็นฉันแบบปรุงอาหารอเงี้ยท่านบอกผิดอันนี้เราไม่ได้พูดทิเราไม่ได้พูดอย่างนั้น อย่างโยมถวายน้ำตาลนี่เรารับไว้เราก็ถ้าเราเก็บไว้ชั้นเป็นเป็นยาแล้วก็เก็บไว้ชั้นเจ็ดวันแตถ้าตอนเช้าเรามาใส่กับเข้าวผัดหรือกับอะไรนี้มันก็กลายเป็นอาหารไปถ้าไม่อยากใช้เป็นอาหารก็ให้ลูกศิษย์แบ่งแล้วประเคนต่างหากได้ออันนี้มันเป็นเทคนิคคาล์ตี้ก็เนี่ยนั่นเองให้รู้ว่าอะไรเป็นใช้เป็นอาหารหรือใช้เป็นยาเพราะบางอย่างมันใช้ทั้งเป็นทั้งอาหารก็ได้เป็นยาก็ได้อ นี่ความรายละเอียดเรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่สอนพระให้ดูให้รู้จักแยกแยะอ่านกันเรืเที่ว่าเป็นอาหารอันนั้นอันนั้นชอเพรามนเก็บได้นานอ่าก็อยากจะชันกล่องกล่องไ ว, งงไว้เราต้องการให้ลูกศิษย์ประเคนให้ว่ามา จากคุณสุพรรณีมีคนพิการนำลอตเตอรี่มาขายไม่เล่นหวยแต่ช่วยเขาซื้อเพราะสงสารอยากช่วยเขาผิดศีลไหมคะแล้วจะลอตเตอรี่ไปให้คนอื่นต่อจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เป็นการเป็นการสงเคราะห์คนคนพิการแล้วก็เป็นการให้คนอื่นเขาเสี่ยงโชคหรือเขามีโชคลอตเตอรี่ที่เราให้เขาเขาอาจจะถูก เขาก็ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรคือการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อแบบเล่นพนันก็ได้ซื้อแบบเสี่ยงโชคก็ได้ซื้อแบบทำบุญก็ได้ก็ว่าเงินที่เหลือจาก เ, เงินที่รัฐบาลก็ได้จากลอตเตอรี่เขาก็ไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนองค์กรสาธารณะกุศลบางทีก็ได้รับจากกองสลาก อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญก็ได้ถ้าเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบเอาเป็นเอาตายว่าเ ป, เป็นที่พึ่งเป็นสารณะโดยไม่ทํามาหากินอย่างอื่นอย่างเงี้ยท่าอย่างเงี้เรียกว่าเล่นแบบเล่นการพนันแต่ถ้าเล่นแบบนี้ซื้อบ่ายสองใบเพื่อจะวีโชคอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทางที่ดีไม่เล่นเลยได้ก็จะดีกว่าแล้ว ถ, ถ, ถ้าทําแบบนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อเพราะสงเคราอสงสารคนขาย คนขายเป็นคนพิการเขาจะได้มีอาชีพมีรายได้แล้วถ้าเราไม่ต้องการประโยชน์จากเราแต่อราซื้อก็ให้คนอื่นไปเผื่อคนอื่นก็มีบุญเก่าเขาก็จะได้มีช่องให้บุญโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่อย่าไปแบบว่าเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าไม่ได้ก็เจ๊งอะไรอย่างเงี้มันไม่ไม่ถูก อย่าไปเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากินอย่าใช้การเล่นการพรนันเป็นเครื่องท ร, รมาหากินคำถามจากคุณรักสุขภาพในขณะที่นั่งสมาธิก็มีใจสงบดีแต่เมื่อออกมากระทบผัสสะภายนอกก็มีความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุทําเช่นใดในชีวิตปกติ ที่ต้องทํางานอยู่ยังไม่สามารถออกมาปฏิบัติทําได้เป็นตัวค่ะก็อย่างที่สอนห อ, อกจากสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจเวลาชอบก็ให้คิดว่าสิ่งที่ชอบมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเวลามันจากเราไปก็จะทุกข์ถ้าเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปชอบเจอต้องเจอก็ต้องทนเอาไว้ท่านเองอยาไปไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็จะทุกข์ถ้าเฉยเฉยก็จะไม่ทุกข์ วิธีสอนใจให้ให้เฉยกับทุกอย่างเฉยกับสิ่งที่รักเฉยกับสิ่งที่ชังเฉยกับสิ่งที่กลัวถ้ากลัวอะไรก็บอกอย่างมากก็แค่ตายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแล้วถ้าหลงก็อย่าไปคิดว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเรามักจะไปหลงคิดว่าเป็นของเราก็จะรักจะหวงจะไม่ยอมให้ใครแตะไม่ให้ใครต้อง นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จะทำให้ใจนี้เฉยๆได้ไม่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นพอรักอะไรก็อยากจะได้ขึ้นมาพอชังอะไรก็อยากจะกำจัดมันพอกลัวอะไรก็อยากจะวิ่งหนีพอหลงก็อยากจะก็อยากจะยึดจะติดมันก็จะกลายเป็นตัณหาต่างๆขึ้นมา ก็จะเป็นความทุกข์งั้นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาแต่ในการปฏิบัตินี้ถ้ามันเป็นปัญญาหลายระดับถ้าปัญญาแบบทั่วไปก็ใช้ยัง ก, ก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปัญญาแบบระดับวิปัสสนาแบบ อ, อ, อริยามรรคอริยผลนี่มันต้องอาศัยสมาธิที่มีกำลังมากต้องมีความชำนาญในสมาธิก่อน จึงจะออกมาพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาแต่แบบถ้าแบบทั่วๆไปนี่ก็ออกมาแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ใช้ปัญญาได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ใช้สติดีกว่าควบคุมความคิดว่าอย่าคิดนะถ้ามีปัญหาไปรักไปชังก็ใช้ปัญญามาดึงกลับไม่ให้ไปรักไปชังได้แต่โดยเป้าหมายก็คือถ้ายัางสมาธิยังไม่ชำชองยังไม่ชนานาญ ควรจะฝึกสติให้มากควรจาคอยควบคุมความคิดไว้เพราะถ้าไปใช้ทางปัญญาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนเพราะมันจะเป็นปัญญาไม่ได้ตลอดแล้วมันก็จะทําให้ไม่สามารถเข้าสมาธิได้งั้นมันต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรการปฏิบัตินี่มันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อน ขั้นนึงควรจะคิดอีกขั้นหนึ่ ง, นน ง, นนงไม่ควรจะคิดเนี่ยมันคดปฏิบัติก็บางทีก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่ควรจะคิดหรือไม่ควรจะคิดก็เป็นแบบพวกเถ็นตรงพูบอกให้คิดก็ไม่คิดเลยพอให้คิดก็คิดจนกระทั่งฟุง้งไม่มีความสงบเลยมันจะเป็นอย่างนั้นงั้นไม่ต้องดูว่าอจะคิดหรือไม่คิดนี่ก็เพื่อที่จะรักษาาจาให้สงบเนี่ยเป้าหมายอยู่ตรงนั้นถ้าใจาไม่สงบอ แล้วถ้าคิดให้มันสงบได้ก็โอเคก็คิดไปถ้าคิดแล้วมันไม่สงบก็หยุดคิดดีกว่าหาวิธีดึงหยุดมันอย่าให้มันคิดดีกว่าดึงมันมาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันต้องรู้ว่าเป้าหมายของการคิดหรือไม่คิดนี่ก็เพื่อที่จะให้ใจมันนิ่งให้ใจสงบให้ใจไม่มีความอยากถ้ามันไม่เข้าใจหลังนี้แล้วมันปฏิบัติไปมันก็ไม่รู้ปฏิ ไม่ไม่เข้าใจเราทำไปเพื่ออะไระว่ามาคําถามจากคุณแอนการที่เราดูลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเข้ากับเป็นการเอาจิตเราไว้ที่ปลายจมูกใช่หรือไม่คะเออนั่นแหละคือให้จิตมันจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้มันไปหาขนมนมเนยไม่ให้ไปไม่ให้ไปหาภาพประยนตร์ไม่ให้ไปหาแฟนไม่ให้ไปหาเงินหาทอง ให้มันอยู่กับลมเพื่อมันจะได้นิ่งจะได้สงบเพราะถ้ามันไปหาขนมนมเนยเดี๋ยวมันนั่งเฉยเฉยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันต้องไปแล้วพอคิดถึงกาแฟปั๊บนี่เดี๋ยวมันก็ไปสตาร์บัคกันแล้วหมดหรือยัง ม, มีคำถามเดียวโอเคเดี๋ก็ยังหมดแล้วเวคำถามจากคุณสิทธิศักการภาวนารดความอยากได้อย่างไรครับ <S <S <S <S ก็เวลาจิตสงบความอยากก็จะหายไปความอยากเกิดจาก การมีความคิดก่อนถ้ามีความคิดแล้วความอยากก็จะตามมาแต่ความอยากไม่ได้เกิดจากความคิดหรอกแต่ความอยากก็ใชยความคิดเป็นตัวเปิดทางให้ความอยากมันมีจะมีความคิดแล้วไม่มีความคิดมันก็อยากได้เองแต่ว่าถ้ามันต้องคิดก่อนมันถึงจะอยากพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาเอ็ต้องเวลาคิดถึงขนมถ้าไม่อยากจะกินก็ต้องคิดเวลาขนมกลายเป็นอุจจาระไปถ้าคิดอย่างนั้นมันก็จะไม่อยากกิน ต้องคิดทางกลับมังต้องย้อนสอนคิดแบบย้อนสอนมันต้องคิดแบบมุมกลับทุกอย่างมันมีมุมกลับมีด้านลบเราอย่าไปคิดถึงด้านบวกพอคิดถึงด้านบวกแล้วอยากจะได้พอพให้คิดถึงด้านลบแล้วมันก็จะไม่อยากได้พอคิดว่าเกิดนี้มันก็อยากจะเกิดกันแต่พะคิดว่าเกิดแล้วต้องตายนี่ไม่เกิดดีกว่ามั้งคิดอย่างนี้หมดแล้วเหร อ่าอากับสาวถกท้ายคำถามจากคุณชาร์บถ้าถวายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารหรือของใช้เช่นยาสีฟันถวายกับพระอาจารย์โดยตรงได้ไหมคะถ้าเป็นของที่เป็นยานี่รับกำมือได้เก็บไว้ได้ตลอดไม่มีอายุไม่มีวันหมดถ้าเป็นยานะแต่ไม่รับกำมือก็ไดก้ก็ได้บุญเท่ากันเลยนะพระจะได้ทาถูกต้องกับพระวินัยเท่านั้นเอง